วันนี้ก็เป็นวันพระเตือนห้าดับสิบสี่ค่ำวันพุงนี้เป็นวันอุโบสถวันนี้เป็นวันปฏิบัติธรรมร่วมกันตอนเย็นทั้งฝ่ายญาติโยมนับฝ่ายพระสมมาเนนเป็นเวลาปฏิบัติธรรมไมวพระสวดมนต์ร่วมกันอย่างเคยทํามาทุกวันพระวันพระแปดคำ่คำสิบห้าค่ำสิบสี่ค่ำเป็นวันรวมกัน ถ้าไม่มีอะไรก็รวมกันหมดทุกองคเมื่อเช้านี่ก็เห็นพระนวกะจากกรุงเทพ hmm. อดอาหารแต่ก็ไม่ได้ถามว่าอดกี่วันองค์ละกี่วันแต่ถึงยังไงก็ให้ดูตัวเองนั่นแหละการอดอาหารไม่ใช่อดเพื่อหิวเฉยๆต้องดูความสามารถของเราถ้าเราหิววันพรุ่งขึ้นเราก็มาฉัน แต่ถ้าเราจะอดทดสอบด้วยขันติของเราหรืออดถึงความสามารถของเราการทดสอบอดตัวนั้นน่ะเราบวชมาทั้งทีควรจะทดสอบดูพระกรรมฐานท่านอยู่ยังไงจริงหรือเปล่าที่ท่านมาอยู่ในป่าแล้วท่านอดอาหารท่านไม่ฉันอาหารเราทดลองดูสิมันเป็นยังไงมันหิวไหมสิ่งเหล่านี้ก็เป็นการทดสอบเป็นการทดลองเป็นการบำเพ็ญ เป็นประโยชน์สําหรับตนเองในอนาคตต่อไปภายภาคหน้าอย่างที่เคยกล่าวมานั่นแหละาว่าพวกเราศึกเป็นคราวาสศึกขาลาเพศไปแล้วเราไม่ได้ทานอาหารมือ 1, 2, ม้อหนึ่งสองสามมอจิตใจเราเป็นยังไงถ้าเราเคยอดอาหารมาอย่างที่เลยอดมาอย่างนี้ยเราจะย้อนและลึกถึงว่าเมื่อเราบวชเราอดอาหารวันสองวันไม่ทานทั้งวันมีแต่ทานน้ำดื่มน้ํา สุขภาพของเราก็ไม่เห็นมีอะไรเราอยู่ได้อันนี้ก็เป็นการขันติคือความอดทนอันหนึ่งสำหรับผู้ที่เข้ามาบวชเป็นประโยชน์ต่อไปในอนาคตสำหรับตัวเองเพราะว่าการเป็นอยู่ของเราไม่ใช่ว่าจะราบรื่นบางครั้งก็เรอมีติดธุระการงาน่องงานเรื่องการบางเรื่องเกี่ยวกับภายนอกบ้างเราจะให้ทานอาหารตามเวล่เวลาทุกครั้งทุกคราวนั้นคงเป็นไปได้ยาก แต่เมื่อเราได้บวชครั้งนี้เป็นการทดสอบพระกรรมฐานครูบาอาจารย์ท่านอยู่ป่าเขาลําเนาภัยทั้งที่ท่านอดฉันมือเดียวท่านยังอดอีกเราทดลองดูทีเป็นยังไงต่างพวกเราเคยคิดว่าพระกรรมฐานใช่ท่านฉันมือเดียวแล้วท่านไม่ทํางานท่านดูแล้วท่านฉันเสร็จแล้วท่านก่อนดูในกุฏิของท่านไม่ได้ใช้พลังอะไรก็คงจะอยู่ได้ แต่ถ้าพวกเราทานอาหารเนี่ยต้องทํางานเราต้องมีความจําเป็นอย่างนี้พบให้ไปดูพระที่ท่านทํากําแพงเนี่ยขนาดชาวบ้านยังสู้ไม่ไหวไม่ได้คุยเพงั้นเถอะเพเหตุลายกําลังใจนั้นสาคัญกว่ากําลังใจเป็นสิ่งที่จําเป็นเป็นสิ่งที่สําคัญอย่างยิ่งมีพลังมีกําลังใจมีความอดท น, เ, นเมื่อทําก็ต้องทํจาจันเมื่อเดียวก็ทําทําได้ทําด้วยความเต็มใจทําด้วยความสมัครใจ ในเมื่อเหตุผลมันเดินไปอย่างนั้นก็ต้องทำนะไม่ใช่ว่าปกดอาหานเราจะนอนสมนอนซานอย่างนั้นไม่ใช่อันนั้นไม่ใช่เรื่องของพระพระต้องแกร่งต้องมีขันติต้องมีความอดทนต้องมีปัญญาในตัวพร้อมเสร็จควรจะทําสิ่งไหนทำได้เวลาปัดกวาดก็เอาทําได้เวลาทําความสะอาดเอาสิ่ไห น, นทำได้เดินไปได้เตินกลมได้นั่งภาวนาได้เออ ไม่ใช่ว่าจะอดอาหารจะนอนสมนอนซานอยู่ด้วยความหิวโหยนะไม่ใช่ได้ไม่ใช่เรื่องของพระถ้าเป็นอย่างนั้นไม่ควรจะอดถ้าอดแล้วต้องเข้มแข็งอันนี้คือือแนวทางสําหรับพระกรรมฐานครูบาอาจารย์ที่ท่านพาปฏิบัติมาตลอดผมเหมือนกันผมเคยปฏิบัติมาอย่างนั้นบางทีไปอยู่ป่าเขาลําเนาไพรองค์เดียวอดอาหารสองสามวันสี่ห้ากเจ็ดวันแต่เฟตูตำ ลำพังอยู่ในปา่าแล้วผมไม่เคยอดอาหารถึงเจ็ดวันประมาณสามสีวันนี่ก็เพียงพอก็อมันเหนื่อยเพลียถ้าอยู่ในวัดเนี่ยก็มีน้ำตงน้ำตาลบ้างช่วยเสริมบ้างแต่ไปอยู่ในปา่าไม่มีอะไรมีแต่น้ำน้ำต้มให้อุ่นๆนั่นแหละก็ฉันอดอาหารสามสีห้าวันนี่ก็เพียงพอแต่นั้นก็ไปบินาบาตมาฉั น, ก, น, นก็จะต้องเดินขนมนั่งภาวนาตามลําพังอยู่องค์เดียวในปา่า นชีวิตของพระกรรมฐานเป็นอย่างนั้นบำเพญ็ญจิตตภาวนาเน้นจิตตภาวนาเป็นสำคัญทุกสิ่งทุกอย่างออกมาจากใจทั้งหมดใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าต้องฝึกหัดใจตัวเองให้รู้จากวิธีแนวความคิดรู้จักให้ใช้สติใช้ปัญญาใช้ความเพียรบังคับจิตใจของตนเองอย่าไปบังคับคนอื่นบังคับใจตัวเองนั่นนะเลิศประเสริฐ ถ้าเราไปบังคับคนอื่นไม่ใช่ใช้อำนาจผิดที่ผิดทางแต่บังคับตัวเองสิ่งไหนที่มันไม่ดีอะ บ, บังคับนอนตื่นสายบังขี้เกียจบังขี้เกียจไหว้พระบังขี้เกียจเดินยองกลบบั ง, บ, งบังคับเพราะหน้าที่ไปอย่างนั้นต้องทําถ้าบังคับตัวเองอย่างนั้น่ะดีสิ่งไหนที่มันไม่ดีเอาเบรกไม่ให้มันทำํำแล้วก็หมุนพวงมาลัยไปในทางที่ถูกต้องพระธรรมวินยัยท่านกําหนดให้เดินยังไง พอปฏิบัติตามนั้นเนี่ยเป็นพระต้องเป็นอย่างนั้นเนี่ยพวกท่านทั้งหลายที่มาปฏิบัติที่วัดของผมผมไม่ได้หนักใจนะผมรู้ทั้งหมดรู้ว่าเป็นยังไงพระใหม่เป็นยังไงพระเก่าเป็นยังไงแต่ทิ้งยังไงทิ้งเขาพูดก็ต้องพูดทิ้งเขาสอนก็ต้องสอนเพราะพวกท่านทั้งหลายมาฝึกหัดมาให้สอนจะอยู่เฉยเฉยนะ่ไม่ได้ต้องสอน แต่จะเป็นที่พอใจแล้วไม่เป็นที่พอใจนั้นก็เป็นสุดแท้แต่ผู้รับฟังไปถ้าห่าผู้รับฟังไปใช้รู้จักแยกแยะจะให้ถูกใจเราทุกอย่างเป็นไปไม่ได้จะให้ผิดใจทุกอย่างเป็นไปไม่ได้อาจจะไม่ถูกใจแต่นําไปคิดไปพิจารณาแล้วอาจจะถูกใจก็ได้หรือนําไปพิจารณาแล้วอาจจะผิดใจก็ได้สิ่งเหล่านั้นจะให้ถูกใจทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปไม่ได้ขนาดเราดูหนังฟังเพลง หมอหอเราศพครบงานต่างๆเราจะให้ถูกใจเราทุกอย่างก็คงเป็นไปไม่ได้เช่นเดียวกันบางสิ่งเราก็ไม่ชอบใจบางสิ่งเราก็ชอบใจเพราะนั้นการที่เราได้มารับการอบรมจากครูบาอาจารย์ก็คงลักษณะเช่นนั้นเหมือนกันให้พวกเราแยกแยะเอาสิ่งที่มันดีเอามานําไปใช้ในชีวิตประจำวันของเราเราจะเอาทั้งรุ่นเป็นไปไม่ได้ เห็นคือพระในวัดของเราก็ดีญาติโยมก็ดีตลอดถึงพี่น้องประชาชนในถิ่นนี้ข อ, อบเขตถิน่นนี้เราจะไปตำหนิทุกคนก็ไม่ได้เราจะไปยกย่องเชิดชูสรรเสริญทุกคนก็เป็นไปไม่ได้ตลอดถึงครูบาอาจารย์พระเนนภายในวัดก็เช่นเดียวกันสิ่งไหนที่เป็นประโยชน์เราก็หยิบถึงนั้นนำไปใช้เป็นชีวิตประจาวันของเราเช่นการอดทนเช่นการทานอาหาร การเป็นอยู่มีละเบียบอย่างไรเราก็นำสิ่งที่เป็นประโยชน์เอาไปใช้ในตัวของเราตลอดถึงการไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิภาวนาสงบจิตใจสิ่งไหนที่เป็นประโยชน์เราก็เอาสิ่งนั้นไปใช้ในชีวิตประจำวันของเราแต่สิ่งไหนที่มันไม่ดีเราก็ทิ้งซะมันเกิดประโยชน์สำหรับตัวของเราอันนี้แปลว่าเป็นผู้มีปัญญาผู้ไปศึกษาทั้งตาทั้งหูทั้งใจ ตาดูหูฟังใจคิดไตรตรองเหตุและผลในเรื่องนั้นๆอันนี้แปลว่าเป็นผู้ไปศึกษาเฟ้นเอาแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์มาใช้ในชีวิตประจำวันของตนใช้ในตัวของเราเองท่านเปรียบเทียบเหมือนกับแมลงผู้แมลงพึ่งไปเอาเกสรดอกไม้เอามามำรุงรังของตนเองแมลงพึ่งไม่ใช่มันก็เห็นมาต้นไม้ตัว น, นี้ ทั้งตน้นมันจะไปแทะเอาเปลือกเอากะพี้มาบำรุงลังของมันไม่ใช่อย่างนั้นมันไม่เกิดประโยชน์มันก็เอาตั้งแต่น้าเกรสรที่มันอยู่ในต้นไม้ต้นนั้นเกรสรของมันที่รสหวานมันก็เอาเกรสร น, นิดหน่อยในดอกไม้นั่นแหละมาบำรุงลังของมันนี่ก็เหมือนกันขนาดแมลงผู่แมลงผึ้งเป็นสัตว์ตีนฉานมันยังรู้จักเลือกเฟ้น เราเป็นมนุษย์ที่ได้รับการศึกษาที่ดีเป็นผู้มีปัญญาเราก็ควรจะเลือกเฟ้นไปสถานที่ใดไปเมืองนอกไปเมืองนาไปชุมชนไหนสิ่งที่มันไม่ดีเราอย่าเอามาใช้กับตัวของเรากับครอบครัวของเรากับพ่อขัอบแม่ของเราให้เลือกใช้ไม่ใช่ว่าเราไปเห็นอเมริกงอเมริกาเห็นฝรงฝรัง่งแต่ไมตะกอนมีฮิปปี้ฮิปเปอร์ ไปก็ไปเรียนเขามาไปทํากับเขามาไปเรียนแบบเขามาอมาแล้วมันไม่เกิดประโยชน์สิ่งดีๆทําไมแม่เลือกเอามาเอามาใช้ในประเทศชาติบ้านเมืองไปเอาไปสิ่งที่มันเร็เวๆซ้ําๆนะนะั่นแหละเอามาเจาะหูบ้างเจาะจมูกบ้างไม่จอดหน้าผากแขวนอีกอย่างดีนะนะไปเอาสิ่งที่มันไม่ดีไม่เกิดประโยชน์เมืองไทยเด็กของเราไปเห็นฝรั่งก็ทําแล้วก็ทํา ตาไม่จีบมือของหัวงเขาเราไม่ใช่หูของเราแต่ดูๆแล้วมันไม่เกิดประโยชน์ทําไมมันโง่ถึงขนาดนั้นน่าจะทําในสิ่งที่เกิดประโยชน์สิ่งที่มันดีสิ่งที่เมืองไทยของเราพ่อแม่ปู่ย่าตายายของเราเคยปฏิบัติยังไงทาํามายังไงมีสาระมีประโยชน์อย่างไรก็น่าจะทําอย่างนั้นสิ่งไหนที่มันไม่ดีก็ไม่ควรจะทําไม่ควรจะเอามาใช้ทําให้พ่อแม่ของตัวเองหนักใจถ้าไปเอาสิ่งที่มันไม่ดีมาใช้ พ่อแม่เห็นลูกแล้วก็ไม่รู้จะพูดยังไงถ้าพูดก็กลัวลูกจะเสียอกเสียใจกระทาให้เลยตำเลยเอาหูไปนาเอาตาไปไร่แต่ใจนั้นคิดพอแรงไม่รู้จะหาอุบายพูดยังไงถึงจะให้เข้าใจอายชาวบ้านเขาก็อายเขาอายพี่อายน้องอายวงสาณนาดญาติอายหมูอายเพื่อนอายที่เขาเห็นวันนี้เป็นลูกของใครทำไมทำพิเรนพิเรนอย่างนี้สิ่งเหล่านี้มันต้องได้คิดทั้งหมดเราอยู่ในโลกสมมติ เราอย่าไปทำในสิ่งที่มันไม่ถูกต้องเราไปรับการศึกษามันก็ต้องศึกษาเอาสิ่งที่ดีมาปรับอย่างแมลงผูแมลงพึ่งอย่างที่กล่าวมาทั้งหมดนะเพราะนั้นพวกท่านทั้งหลายที่มาอยู่วัดผมที่มาศึกษาชั่วคราวก็ขอให้เป็นอย่างนั้นสิ่งที่มันไม่ดีอย่าเอาไปใช้ให้เลือกเป็นเอาในสิ่งที่ดีแต่สาหรับตัวของผมเองผมไม่เคยหนักใจผมรู้หมดว่าใครเป็นอะไรทาไม ผมไะอยู่กับสัตว์สาราสินกับลิงกับข้างกับชนีหมูป่าเอ่งกวางกรอบกระแตแห่มดปลวกผมอยู่ได้ด้วยทั้งหมดไม่ใช่ว่าจะเห็นเขาแล้วจะฆ่าทั้งหมดไม่ใช่เราเห็นเขาแล้วจะอยู่ได้อย่างไงเราจะหลบอยู่ไงเราจะเกีดกันสัตว์เหล่านั้นอยู่ได้อย่างไรนี่ก็เหมือนการที่มาอยู่กับคนคนมีปัญญาคนโง่คนฉลาดคนมีความคิดคนมีน้ำใจคนไม่มีน้ำใจสิ่งเหล่านี้ต้องอยู่ได้ด้วยกันทั้งหมด อยู่ด้วยปัญญาอยู่ด้วยความเอาตัวรอดปลอดภัยนั่นแหละดีที่สุดให้รู้จักท่านรู้จักเขารู้จักเราให้รู้จักแบ่งรับแบ่งสู้ให้รู้จักการเกื้อกูลอุดหนุนกันสิ่งไหนที่เป็นสาระที่เป็นประโยชน์เราก็ช่วยเหลือสิ่งนั้นที่มันจะเป็นพิษเป็นภัยเราก็พยายามหลบหลีกเล้นเมื่อเราไปใกล้งูเห่างูจงอางเราควรทํำยังไงฮะไม่ใช่ว่าเห็นมันก็จะฆ่ามันอย่างนั้นก็ไม่ใช่เราก็ต้องหลบหลีก อย่าให้มันมาใกล้อย่าไปใกล้มันนะถ้าหากว่าเห็นคนพานก็เช่นเดียวกันหรือเห็นคนที่เป็นจะเป็นพิษเป็นภัยเราก็ต้องพยายามหลบปลีกเช่นเดียวกันเพราะนั้นการเป็นอยู่ของพวกเราทุกท่านก็ น, น่าจะน่าจะให้เป็นอย่างนั้นละ่ะให้รู้จักขบรู้จักจกลี่รู้จักเอาตัวรอดแต่ไม่ใช่ว่าเอาตัวรอดคำนี้ไปว่าจะโยนความชั่วเสียหายหแก่คนอื่นไม่ใช่นะ ในเมื่อรับเราก็ต้องรับอืรับคือความเต็มใจรับคือความสมัครใจในสิ่งที่มันถูกต้องที่เป็นธรรมหรือว่าจึงจะหนักก็ยอมหนักในเมื่อว่าจะต้องเดินไปจุดนั้นอย่างที่พวกเราทํางานอย่างนี้แหละไม่ใช่ว่าเราชอบมาเราไม่ชอบที่จะทํางานแต่ว่าถ้าเราไม่ทําาอยกจะทำอย่างไงก็จําเป็นต้องทําเมื่อทําเป็นก็ต้องหนักก็ต้องสู้ต้องทําำ เรื่องการงานภายนอกก็เช่นเดียวกันเราจะให้เบาอย่างเดียวเป็นไปไม่ได้จะให้หนักตลอดเป็นกับเป็นไปไม่ได้ถึงข้าวหนักมันก็ต้องหนักถึงเขาเบาก็ต้องเบาแต่ว่าถึงยังไงก็ตามสมัยเราเป็นเด็กเราก็ต้องพยายามให้มันหนักเอาไว้ทุกในการเรียนหนังสือทุกในการทำงานอันนี้เป็นเบื้องต้นสําหรับผู้ที่จะดารง ทรงชีวิตไปด้วยความราบรื่นต้องเป็นอย่างนั้นในหลักของพุทธศาสนาท่านเยาวต์ทุกขัสสาสะนันตลังสุขขังถ้าหากว่าท่านผู้ใดทํางานหนักสมัยเป็นหนุ่มเรียนหนังสือก็พยายามอดทนเรียนด้วยความมันขยันการงานก็เช่นเดียวกันสมัยเป็นหนุ่มเนี่ยมีกําลังวังชาก็ทํางานอย่างเต็มที่ไม่หลีกลี้หนีหนะ้าทิ้งที่จะเป็นประโยชน์ต่อหน้าที่การงานต่อครอบครัวของเรา พยายามทําด้วยความมั่นขยันอดทนต้องได้รับความทุกข์คนที่ทํางานอันนี้เรียกว่าทุกขษาสนันตันตลังสุขขังเมื่อทําการงานเอาจริงเอาจั ง, จงแล้วผลงานก็ต้องเกิดขึ้นมาเมื่อเกิดขึ้นมาเราก็ได้รับผลของงานนั้นเมื่ออายุแก่ขึ้นมาหรือว่าต่อไปภายภาคหน้าเราก็จะมีความสุขเพราะได้ใช้ทรัพย์สมบัติที่เราเสาะแสวงหาด้วยความยากลําบากมีความสุขเมื่อปลายมือ เมื่อแกแต่ถ้าว่าท่านผู้ใดสมัยเป็นเด็กก็ขี้เกียจเป็นหนุ่มเป็นสาวก็ไม่ได้ขนขวายขี้เกียจทำงานมีแต่กินมีแตนอนมีแตเที่ยวมีแะเล่นสนุกสนานเพลิดเพลินเฮฮาอันนี้แปว่าสุขขัดสาสะนันตะลังทุกขงังคนประเภทอย่างนี้สมัยเป็นหนุ่มจะมีความสุขแต่เมื่อแกเข้าไปแล้วจะหาทรัพย์สมบัติ ที่จะเป็นสมบัติของตัวเองเป็นหลักเป็นฐานนั้นหาแต่ยากเพราะเหตุไรเพราะตัวเองสมัยเป็นหนุ่มเมื่อมีกําลังวังชาที่จะเสาะแสวงหาทรัพย์สมบัติกลับขี้เกียจแต่เมื่อแก่มาแล้วหาทรัพย์สมบัติไม่ได้จะทุกข์เมื่อปลายมือร้านพวกเราเกิดมาในโลกเนี่ยถึงข้าวสู้ต้องสู้ถึงข่าวทาต้องทําชีวิตเป็นมาต้องเป็นอย่างนี้แล้วก็เป็นไปอย่างนั้นขอให้พวกเราทุกทุกท่าน ผู้ที่มาบวชในพุทธศาสนาก็ทำหน้าที่อย่าให้ขาดตัวบกของในหน้านที่เป็นพระเี่ยถ้าว่าท่านผู้ใดบวชนวักกะติจะลาสิกขาไปก็นําแนวความคิดของหลวงพ่อนะไปคิดไปพิจารณาไต่ตรองดูแล้วก็พยายามบังคับตัวเองนะั่นแหะให้รู้จักสิ่งควรไม่ควรสิ่งไหนควรทําสิ่งไหนไม่ควรทําแล้วพวกเราก็จะประสบความสําเร็จแน่นอนไม่ต้องสงสัย แต่ถ้าว่าพวกเราไม่ทำอย่างที่ว่านี่นะชีวิตของเราอาจจะตุมลุกคลุกครานอาจจะประสบความล้มเหลวก็ได้นะถึงพ่อแม่ของเราจะร่ารวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีสําหรับพวกเรามีอันจะกินแต่ถ้าว่าตัวเองมีแต่ใช้อย่างเดียวโอกาสที่จะหมดก็ได้ง่ายเหมือนกันนะทรัพย์สมบัติที่ได้มาโดยที่ว่าตัวเองไม่สืบต่อไม่ทาต่อมีแต่ใช้อย่างเดียว ใช้ไม่รู้จักประมาณด้วยทํำให้เจ๊งได้เหมือนกันครอบครัวนั้นตอนนั้นในหลักพระพุทธศาสนาเนี่ยหลวพ่อพระเจ้าท่านบอกเอาไว้แต่กูนั้นมั่งคลั่งไม่ตั้งอยู่ได้นานเพราะสถานสี่ไม่สแสวงหาวัสดุที่หายแล้วไม่บูรณะวัสดุที่ค้าค่าไม่รู้จักประมาณในการบริโภคสมบัติตั้งสตรีหรือบุรุษทุศินให้เป็นเจ้าของสมบัติให้เป็นพ่อเรือนแม่เรือน อันนี้ก็คือหนทางแห่งความจิบหายจะมั่งคั่งไม่ได้นานถ้าหากว่ามีสี่ประเภทนี้เข้าไปจิบหายจริงๆก็คือตัวสุดท้ายพราะเกี่ยวกับบุคคลตั้งสตรีหรือบุรุษทุศินให้เป็นพ่อเรือนแม่เรือนพ่อเจ้าบ้านกนดีแม่เจ้าบ้านกนดีเป็นคนเที่ยวตรี เ, เล่ยหล่อนเที่ยวคับเที่ยวบ้าเที่ยวบ้าเล่นการพนันใช้อุยชุยแฉกจะเป็นพ่อบ้านคนดีที่เป็นแม่บ้านกนดีใช้เงินอย่างนั้น ตะกูลนั้นก็หมดตายง่ายๆเหมือนกันแม่รู้จักประมาณในการบริโภคนะัะลองลองมาอีกคนไม่รู้จักประมาณในการบริโภคไม่รู้จักตัวมีอะไรใช้จนลืมตัวผลในสุดพอมันหมดแล้วตีนทะเลาะกันแตกเล้าสามกีกันในครอบครัวอันนี้แปลว่าไม่รู้จักประมาณในการบริโภคสมบัติตัวเองในฐานะหาเงินมาได้จะใช้กินแบบหนึ่งในระดับหนึ่งแต่ใช้เกินตัวใช้ฟุ่มเฟือยจนเกินไป จนทำให้ตัวเองเดือดร้อนผลี่สุดครอบครัวหาความร่มเย็นผาสุขไม่ไหนและสําแลสายพวกขาดการบริหารที่ดีอันนี้ว่าไม่รู้จักประมาณในการบริโภคสมบัติไม่บูรณะพัสดุที่คล้ำค่าสิ่งไหนที่มันเป็นของชำรุดรถบ้านเสื้อผ้าของใช้พอที่จะดูแลพอที่จะบำรุงรักษาจะได้ใช้ไปอีกนานถ้าเราดูแลรักษา อันนี้กลับไม่ใส่ใจพอมันเสียแล้วก็ทิ้งไปปล่อยปะละเลยไม่ได้สนใจผุพังไปหมดผลสุดเสียหายเกิดขึ้นแล้วไปทําใหม่อีกหมดปเป็นแสนเป็นล้านทั้งที่ซ่อมนะั้นไม่กี่เงินอันนี้แปลว่าไม่รู้จักการซ่อมแซมไม่บูรณะพัสดุที่ค้ำค่ า, าอันนี้ตระกูลนั่นก็อยู่ไม่ได้ครอบครัวนั่นก็อยู่ไม่ได้ถ้าไม่รู้จักปุรณะพัสดุที่ค้ำค่า แล้วก็ไม่แสวงหาพัสดุที่หายแล้วเราไม่ได้สนใจในสิ่งที่มันหายรถหายก็ดีรองเท้าหายก็ดีเสื้อผ้าหายก็ดีสิ่งไหนที่มันหายเราก็ปล่อยไปลแล้วเลยไม่ได้สนใจผู้ที่ขโมยจ้องจะขโมยนั่นก่อนหายไปเรื่อยๆผลที่สุดก็หายแล้วไปซื้อมาใหม่ผลที่สุดก็หมดไปโดยปริยายเจ๊งว่างั้นเถอะ อันนี้แปลว่าไม่แสวงหาพัสดุที่หายแล้วเมื่อพัสดุอันไหนที่หายแล้วเราก็ต้องติดตามมันหายเพราะอะไรทำไมใครเป็นคนเอาไปเอาไปเพราะอะไรที่ไหนถ้าเราสืบหาวัสดุที่มันหายเนี่ยคนที่ขโมยไปเขา ก, กดกลัวแะ้วจะเนี่ย เ, เพราะเจ้าของติดตามอยู่ต่อไปใครจะทำอะไรของเราเนี่ยเขาก็ต้องคิดหนักว่างั้นเถอะเขาจะไม่เอาของไปได้ไง่ายๆ เนี่ยพระพุทธเจ้าท่านพูดไว้แล้วตั้งสองพันกว่าปีเอามาใช้ยังเกิดประโยชน์กระทั่งทุกวันนี้นะ่ะถ้าเราเอามาใชใ้มาคิดมาพิจารณานะแต่ ถ, ถ้าว่าเราไม่ได้เอามาใช้กับอย่างว่านั่นอนะ่ะใช้ตามอัธใจตามอํเาเภอใจของเราผลที่สุดเกิดล้มพุกคลุกคลานไปเรื่อยแต่ทางเรามีกระจกส่องเงาเราอยู่เสมอคือเอาธรรมะมาส่องไว้อยู่เสมอเนี่ยเราทําอย่างนี้ผิดหรือเปล่าทําอย่างนี้มันถูกยังไงผิดยังไง แต่สิ่งเหล่านี้จะเกิดประโยชน์สําหรับชีวิตประจําวันของเราชีวิตของเราก็จะราบรื่นไปถึงอวาสานแต่ถึงยังไงก็ตามอย่าลืมธรรมะเป็นเครื่องประดับใจของเราอันนั้นเป็นสิ่งที่จําเป็นสําคัญแต่ที่กล่าวมาทั้งหมดนี้คือเครื่องปัจจัยเครื่องอาศัยเรียกว่าปัจใจสี่เสริมให้เรามีความร่มเย็นผาสุขแต่ถึงยังไงก็เถอะถ้าว่าเราเน้นหนักแต่เรื่องปัจใจสี่อย่างเดียวก็เป็น เครื่องบำรุงแต่ร่างกายเท่านั้นส่วนจิตใจของเรามันอับเฉาเศร้าหมองถ้าเราไม่มีธรรมะเข้าสู่จิตใจเพราะนั้นเรื่องธรรมะนี่ก็เป็นสิ่งที่จําเป็นอย่างยิ่งไม่แพ้อาหารทางกายอาหารทางใจจะยิ่งสําคัญกว่าอาหารทางกายเสียอีกถ้าว่าจิตใจของเราท้อแท้อ่อนแอจิตใจของเราหมดกําลังใจจิตใจของเราหมดอะไรตายอย่าก จิตใจของเราไม่สู้อย่างเดียวเท่านั้นแ่ะหมดสมบัติปัจจัยสี่ทั้งหลายแหล่หมดความหมายอย่างที่เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีพวกเราคงจะเคยได้ยินโดดตึกตายบ้างฆ่าตัวตายบังยิงตัวตายบังสิ่งเหล่านี้ทําไมเขาจึงทําอย่างนั้นทั้งที่เขามีเงินตังเจอแยะเพราะเหตุไรเพราะใจของเขาขาดธรรมะใจของเขาไม่รู้จักปล่อยวาง ใจของเขาไม่มีคุณธรรมในจิตใจใจของเขายึดทั้งหมดยึดมั่นทั้งหมดว่าเป็นตัวตนของเขาแต่ที่แท้สิ่งเหล่านั้นไม่ใช่ตัวตนของเราสักหน่อยเป็นปัจจัยเครื่องอาศัยเท่านั้นนี่แหละมันต้องศึกษาธรรมะต้องหาตำรับตำราธรรมะประธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามาประคับประคองทางจิตใจเรามีธรรมะทางจิตใจด้วยเราทั้งมีวัตถุทั้งภายนอกด้วย ชีวิตของพวกเราจะราบรื่นดีงามมีความร่มเย็นผาสุขจนถึงอวสานแต่ถ้าว่าเรามีตั้งแต่หาปัจจัยสี่เราไม่ได้ดูทางใจของเราแล้วอย่าหวังว่าจะมีความสุขมีความสุขระดับหนึ่งท่านเองแต่ว่าใจของเรามันร้อนปุ่นวายไปหมดหาความสงบไม่ได้เมื่อโลกกระทำเข้ามากระทบทัานเองใจของเราหาที่ดูไม่ได้แล้ว แต่ถ้าว่าเรามีธรรมะแล้วเราสามารถที่จะมีเกาะกันตัวเองเนี่ยม่หมเหมือนกับเกาะกันกระสุนอย่างนั้นอ่ะเอีอันนี้เกาะสําหรับป้องกันตัวเองถ้าเรามีธรรมะในจิตใจแล้วสิ่งไหนที่มากระทบเราก็รู้อว่ามันมากระทบเราก็รู้จักทางออกเมื่อมากระทบแล้วมันเป็นยังไงเอเมื่อมีราบขึ้นมา มีเงินมีคำทรัพย์สมบัติเราก็ไม่ลืมตัวพอเรามีธรรมะเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นมาได้อีกสักวันหนึ่งมันดับได้ถ้าเราบริหารมาันดีมันอาจจะบินไปได้หายไปได้เงินทองเป็นของกายยศิธิ์ถ้าคนโง่แล้วรักษาไมา่อยู่คนฉลาดเท่านั้นแหะที่รักษาทรัพย์สมบัติเหล่านั้นอยู่แต่ถ้าว่าเราโง่เราก็รักษาไม่อยู่พงเงินทองเป็นของกายยศิษิ์เพราะนั้นเมื่อมีลาภเกิดขึ้นเราก็รั่ว ควรทำตัวยังไงควรจะบริหารยังไงกับทรัพย์ที่มันเกิดขึ้นเราก็ควรทําไว้ในใจเสมอวะ่ะเนี่ยมันเกิดขึ้นมันก็ต้องหายได้มันมาได้มันก็ต้องไปได้เพราะฉะนั้นเราอย่าประมาทเราควรจะใช้อย่างไงให้เกิดประโยชน์มีลาบขึ้นมาเราก็ควรทําใจมียศขึ้นมาก็เหมือนกันยศธบรรดาศัพด์ที่เขาแต่งตั้งให้เราเป็นนู่นเป็นนี้ที่เราเรียนหนังสือมาปฏิการงาน เป็นนายแพทย์เป็นนายหมอเป็นวิศวะเป็นผู้บริหารพอออะไรก็ตามเมื่อมีหน้าที่การงานเราก็ต้องคิดไว้ก่ออื่นอันนี้คือหน้าที่เขาแต่งตั้งให้เราอีกสักวันหนึ่งมันก็พร้อมที่จะหลุดไปได้นะถ้าเราไม่รักษาให้ดีถ้าเราไปกินเหล้าเมายาเราคดโกงไปซะคอรับชั่นไปซะเขาก็พร้อมที่จะไล่ออกจากงานได้ เพราะนั้นลาบยศเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนเพราะนั้นเมื่อได้ยศขึ้นมาแล้วเราควรทําตัวอย่างไรเราควรจะคิดไวอยู่เสมอว่าเนี่ยอีกสักวันหนึ่งนะบางทีเราอาจจะอยู่ดีๆนะอาจจะหลุดลอยไปก็ได้นะเขาอาจจะกันแกล้งเราก็ได้นะสิ่งเหล่านี้เราก็ต้องมีธรรมะในใจคิดไว้อยู่เสมอว่ายศเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนสรรเสริญก็เหมือนกัน ถ้าว่าบางคนยกย่องสนับสนุนเราก็อย่าลืมตัวนะเมื่อเขายกย่องเราก็รู้ไว้่อันนี้เขายกย่องเรานช่วงนี้อีกสักวันหนึ่งเขาอาจจะด่าเราก็ได้นะจะให้เขายกย่องตลอดไปเป็นไปแม้ถ่า ย, ยลูกนะจะต้องเจอสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เขาจะด่าเรามีให้ระวังเอาไว้นะอย่าลืมตัวนะใ น, นเมื่อเขาด่าเราก็ต้องฟังเมื่อเขายกย่องเราจะไปหัวเราะทั้งวันก็ไม่ได้ถ้าเมื่อเขาตำหนิเราจะหน้าบูดทั้งวันก็ไม่ได้ เพราะสิ่งทั้งสองอย่างมันเกิดขึ้นมาได้สำหรับคนเดินดินมนุษย์เดินดินไม่ว่าพระพุทธเจ้าไม่ว่าพระหานสาวกเราจะเป็นผู้พิเศษขนาดไหนมันก็ต้องถูกการบินภาสนเสริญเราต้องรับรู้เอาไว้ทําใจเอาไว้คนเราจะมีความสุขได้ก็ต้องมีความทุกข์ได้มีความทุกข์ได้ก็มีความสุขได้ ว่าชีวิตของคนเราจะมีสุขอย่างเดียวเป็นไปไม่ได้จะมีความทุกข์อย่างเดียวเป็นไปไม่ได้ความสุขที่แท้จริงนั้นคืออะไรเราต้องค้นหาความสุขที่แท้จริงเพราะพุทธเจ้าท่านเจอพระอรหันตสาวกท่านเจอความสุขที่แท้จริงคือจิตหลุดพ้นจากกิเลสแต่เราจึงไม่ถึงขนาดนั้นเรายังมีกิเลสอยู่เราจะทํำยังไงความสุขอย่างนี้เราหาได้ยังไงมีลาบมียศสระเสริญโลาก็ว่าสุข เขานินทาเสื่อมราบเสื่อมยศโลภวาทุกสิ่งนี้สุขสิ่งนี้ทุกเนี่ยมันอยู่กับตัวของเราเราจะทำยังไงจึงจะให้ความสุขที่แท้จริงเกิดขึ้นความสุขที่อยู่ในโลกนะั้นเป็นความสุขจอมปลอมนะเป็นความสุขที่ฉาบฉวยเป็นความสุขที่ไม่ถาวรความสุขที่แท้จริงนั้นคืออะไรค้นหาเิยถ้ามีเงินขึ้นมาก็ว่าความสุขแต่เมื่อหายไปล่ะ มันไม่ใช่จะถาวอนเมื่อมันหายไปความทุกข์ก็เข้ามาแทนที่เมื่อเราทานอาหารอร็ดอร่อยเราก็ว่ามีความสุขแต่เวลากินออกไปแล้วไม่ถึงข้ามคืนเวลาปวดอุจจาระละ่ะ เ, เราเดินไปกลางถนนแล้ไปในที่ขับขันถ้ามันจะออกละ่ะเป็นยังไงสุขไหมที่เราทานเข้าไปที่มันสุขนะ่ยสิ่งเหล่านี้มันมีทุกแทนขึ้นมาอยู่ตลอดถ้าเราคิดเราเพิจารณาดูตามหลักธรรมแล้วความสุขที่แท้จริงนั้นคืออะไร ว่ามีสามีว่ามีพัญญาว่ามีลูกสามีพัญญาทำให้ไม่ถูกใจละ่ะถูกฆ่าตายเลยมากเท่าไหร่มากต่อมากอันนั้นเป็นความสุขที่แท้จริงใช่ไหมก็ตอบไม่ได้ไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงเราเพิจารณาดูสิความสุขที่แท้จริงนั้นคืออะไรตามอริยะพุทธะตนเองที่ท่านว่าความสุขที่แท้จริงนั้นคือชําระกิเลสจา ก, ก จ, จิตใจไม่มีราคะโทสะโมหะ หมดกิเลสลาคะโทสะโมหะนั่นแหละเป็นความสุขที่แท้จริงแต่พวกเรายังไม่ถึงอย่างนั้นพวกเรามีแต่ความพอใจไม่พอใจอยู่นั้นน่ะอขึ้นๆลงๆตุกปองตุกปองไปอย่างนั้นน่ะเหมือนกับแช่อยู่ในน้ำอย่างนั้นที่พูดให้ฟังทั้งหมดนี้ก็ให้พวกเรานําไปคิดไปพิจารณาอันนี้คือธรรมคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านบอกพวกเราให้สําเหนียกสํานึกให้เป็นผู้ไม่ประมาทแล้วก็ให้ดูรู้ว่า อาหารกายเป็นยังไงคือปัจใจสี่อาหารใจนั้นคืออะไรคือธรรมะพราะนั้นญญาห่างเหินทั้งสองหลักปัจใจสี่ก็จําเป็นสําคัญธรรมะก็เป็นสิ่งที่จําเป็นสําคัญสาหรับพวกเราเช่นเดียวกันนะเมื่อเราเป็นครวญว่าเลาก็ควรจะมีธรรมะระดับหนึ่งเมื่อเราเป็นพระสองฆ์องค์เจ้าก็มีธรรมะระดับหนึ่งประจําไว้อยู่เสมอพนานาถึงอนิจจังทุกขังอนัตตาเกิดแก่เจ็บตายเราเป็นพระเราก็พี้ยานานานุใจ เวลานอ น, น่ะตายแน่นะเรานะไม่ถึงร้อยปีนะตายแล้วเราจะไปไหนชีวิตของเราเนี่แตกแน่ๆไม่เป็นอย่างอื่นไปได้เพราะฉนั้นเราอย่าประมาทนะอันนี้คือชีวิตของพระต้องเห็นความเกิดความเสื่อมอยู่ทุกขณะและเป็นผู้ไม่ประมาทสร้างคุณงามความดีตัวเองไว้อยู่เสมอดูจิตใจของตัวเองพยายามดูทําจิตให้สงบพล้วก็ดูใจไม่ให้จิตใจลุ่มหลงมัวเมา เห็นใจของตัวเองอยู่เสมอกิเลสราคะโทสะโมหะจิตใจกระเพิ่มแต่ละวันมีอะไรตรวจตราดูเสมอเช็คบินอยู่เสมอเนี่นเป็นผู้ไม่ประมาทอันนี้คือชีวิตของพระต้องเป็นอย่างนั้นไม่ใช่ว่าจะปล่อยปละละเลยไม่ได้สนใจกอนแล้วนินกินแล้วนอนอย่างานั้นฟาดกินแล้วนอนกอนแล้วนินไม่ได้คิดไม่ได้อ่านอะไรเหมือนกับหมูอยู่ในคอกในเล้า เวลาเขาอาหารให้กินเอาน้าให้กินก็ น, นอนเนี่ยกินเอากินเอ า, ก, เอากินเอานอนว่ามีความสุขนู่นน่ะท่านี่พอได้ขนาดที่เขาจะเอาไปขายนงะเขาจะจับมาใส่คอกใส่ซองสิเนี่เอาไปเชือดคอนั่นแหละปะ่านนี้เอาไปทุบหัวนะะวั่นแหะร้องท่นนี่กลัวตายนี่เราเหมือนกันนะะั่นแหะเมื่อมีชีวิตอยู่กับหลงลืมตัวพอป่วยเข้าโรงพยาบาลว่าเป็นโรครักษาไม่หายละข่าวนี่ ต้องตายแลยท่านนั่นแหละจิตใจเป็นยังไงกับสมัยที่มีความสุขอยู่นั่นแหะมันเป็นยังไงโผลที่สู่ก็ไม่มีใครตอบได้เพราะตายไปแล้วเป็นความทุกข์ที่สุดในขณะนั้นไม่มีอะไรที่จะเป็นที่พึ่งทางจิตใจได้เลยเพราะฉะนั้นพวกเราควรจะเตรียมตัวไว้ควรจะหาหลักธรรมมเข้าสู่จิตใจของพวกเรา อยาให้จิตใจบ้าเหวให้จิตใจมีหลักยึดจนถึงขั้นสุดท้ายถ้าเราได้พิจารณาไว้แล้วอาตาอตายเพราตายเพราะเราได้คิดไว้แล้วใครจะอยู่ชั่วฟ้าดินสลายตายแน่เอาเถอะมาถึงคราวเราแล้วเหรอมาถึงคราวเราเราก็ต้องไปสิวะเราจะไปอยู่ได้อย่างไรนี่แหละถ้าว่าเรามีธรรมะทางจิตใจแล้วจิตใจของเราจะเข้มแข็งปล่อยวางกับสิ่งทั้งหลายทั้งปวงได้ จิตใจของเราก็ไม่พิตกกังวลเมื่อทิ้งธาตุขันตัวนี้ไปแล้วก็ไปสู่ความสุขปรโลกภายภาคหน้าได้ตายแบบไม่หลงตายว่างั้นจะตายด้วยสติตายด้วยปัญญาตายด้วยการทําคุณงามความดีสม่ําเสมอมาตลอด เ, อเก็บคะแนนมาตลอดจนถึงมรสุดท้ายคะแนนของเราได้มากน้อยแค่ไหนเราจะได้เหรียญทองหรือเหรียญเงินหรือเหรียญอะไรก็เนี่ยนะมรสุดท้ายนะพวกเราจะรู้ด้วยตันเอง ในวันนี้ก็ผมได้พูดแนะนวหรือว่าแนวทางแนวความคิดสำหรับพวกเราทุกๆท่านก็เห็นว่าพอสมควร